เจริญพรท่านทุตสาสนิกชนพุทธบุตสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สมกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระแรกของ ปี2554เป็นวันประเสริฐเพราะคำว่าพระนี้แปลว่าประเสริฐวันนี้พวกเราจะทำมาทำชีวิตของเราให้ประเสริฐด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติ ให้ไปสู่ความประเสราะพระพุทธเจ้าก็มาเดินทางมาด้วยทางนี้พระอาหารหันตสาวกก็เดินทางด้วยทางนี้ทางที่นําพาไปสู่ความประเสริด น, นี้เรียกว่ามักมีองแบบคือมีสิ่งที่ต้องคิดต้องพูดต้องทําอยู่แปด ประการด้วยกันผู้ใดก็ตามถ้าสามารถคิดพูดและทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ได้ <c oughs> ก็จะได้เป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าทุกๆกคนนั้นไม่ได้ประเสริฐขึ้นมาจากการกำเนิดแต่ประเสริฐจากการคิดการพูดและการทำที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระอรหันต์เลยพระ อ, าา ร, ร, ะอริยะเจ้าต่างๆก็เช่นเดียวกันทุกคนเวลามาเกิดก็มาเกิดเป็นปุถุชนเหมือนอย่างที่พวกเรากําลังเป็นกันอยู่นี้แต่ผู้ที่ได้ดําเนินได้บําเพ็ญตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ได้ส่งคนพบก็จะเป็นผู้ประเสริฐอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีสิทธิ์มีโอกาสมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าได้ลำต้นตัน้งแต่เป็นเทศเป็นพรหมแล้วก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆคือพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีพระอารหาันต์หรือพระพุทธเจ้าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เจริญให้มากให้ปฏิบัติให้มากและก่อนที่เราจะเจริญและปฏิบัติได้เราก็ต้องศึกษาก่อนว่ามีอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่สามารถที่จะเจริญหรือปฏิบัติให้ถูกต้องและให้บรรลุถึงผลที่ประเสริญนี้ได้ดังนั้นทุกวันพระ พ, ระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดให้เป็นวันฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าวันธรรมัชยสวนสเพราะในเบื้องต้นเราต้องฟังเราต้องศึกษาก่อน เหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางเราต้องศึกษาแผนที่ก่อนให้รู้ว่าทางที่เราจะไปจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนี้ไปอย่างไรบางท่านก็ศึกษาแล้วก็ขึ้นรถเมี์ไปบางท่านก็ขับรถไปเองบางท่านก็ขึ้นเครื่องบินไปแต่ถ้ายังไม่รู้ว่า จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างไรถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีและจะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ดังนั้นในเบื้องต้นพระองค์จึงทรงสอนให้ฝั่งเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมอดังในพระมงคอลสูตรที่ทรงตรัสว่ากาเลนะธรรมะสวานัม เอตัมมังกาลมุตตมังการาฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเนะี่ยตามการแต่เวลาก็คือทุกเจ็วันทุก8ปวันหรือทุกหกวันเราก็จะมาวาัดกันสักครั้งหนึ่งแล้วมาฟังเทศฟังธรรมกันนี่เป็นธรรมเนียมที่ได้รับเนินมาตั้งแต่สมัยพระพุท ธ, ธการแต่สมัยปัจจุบันนี้ เรามีสื่อต่างๆซึ่งจะทำให้เราสามารถฟังธรรมได้มากยิ่งกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเราจะฟังธรรมทุกวันก็ได้อย่างนี้เพราะเปิดวิทยุก็มีการแสดงธรรมเปิดโทรทัศน์ก็มีการแสดงธรรมเปิดแผ่นซีดีก็มีเสียงธรรมให้เราฟังกันดังนั้นเราจึงควรฟังธรรมให้มากๆ ถึงแม้เราจะไม่ได้มาวัดเดี๋ยวนี้เราก็สามารถฟังธรรมที่บ้านได้ในรถยนต์ก็ฟังได้เวลาขับรถไปไหนมาไหนก็เปิดธรรมะฟังไปเมื่อเราฟังเข้าบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนั่นเองเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราคิดดีพูดดีทำดีให้คิด ให้พูดให้ทำให้ถูกต้องซึ่งพระองค์ก็ทรงจำแนกไว้อยู่8ประการด้วยกันคิดดีก็มีสองประการก็คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องและสัมมาสังกัปโปก็คือความคิดที่ถูกต้องอะไรเป็นความเห็นและความคิดที่ถูกต้องก็คือ ต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงทำบุญแล้วได้สวรรค์เนี่ยทำบาปแล้วได้นรกตายแล้วจัต้องไปเกิดใหม่มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าปฏิบัติทรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้ไปสู่มรรคผลนิพพาน นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่พวกเราพวกเรานี้ยังไม่รู้ว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงกรรมมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่นี้จริงหรือไม่เรายังไม่รู้เพราะตาของเราคือตาในของเหล่านี้ยังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นผู้ที่จะไปเกิด ก็คือใจของเรานี่เองใจนี้อยู่กับเราตลอดเวลาคือความรู้สึกนึกคิดนี้คือเรียกว่าใจใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายแล้วใจนี้ก็จะไปเกิดต่อไปจะไปเกิดเป็นเทศเป็นพภชนหรือจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นนรกหรือจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นเดราาัจฉาน ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมบุญและบาปที่เราทําอยู่ในชาตินี้และในอดีตชาติที่ยังไม่ส่งผล <Yeah. S 1> พวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ <Yeah. S 1> ก็เป็นเพราะว่าเราได้ไปใช้บุญใช้กรรมมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราก็ได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะมา สร้างบุญสร้างบาปอีกต่อไปถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรารู้ว่าการทำบาปนี้เป็นอันตรายเป็นโทษเราก็ยังจะทำกันต่อไปแล้วเมื่อตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมใช้บาป ก, กันต่อไปอีกอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ชาตินี้เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคาสอนอันประเสริฐ ที่สอนให้เราอย่าไปทำบาปอย่างวันนี้เราก็มารักษาศีลกันนั้นในเบื้องต้นเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปก็คือนรกมีจริงผลของบุญก็คือสวรรค์มีจริงตายแล้วเรายังต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำลายกงจักวัฏจัก ค, คือคือความโลภความโกรธความหลงนี้ให้หมดไปจากใจของเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นความจริงแล้วก็นำเอามาสอนพวกเราให้พวกเราเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เมื่อเราเชื่อเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าตายแล้วศู์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะผิดกับความจริงเหมือนสมัยก่อนเราคิดว่าเราเชื่อว่าโลกนี้แบนแต่สมัยนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้กลม เมื่อก่อนนี้ถ้าเรายังมีความเห็นว่าโลกนี้แบนเหมือน เ, อเหมือนโต๊อย่างนี้ก็สแสดงว่าเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเห็นว่าโลกนี้กลมเหมือนกับลูกบอลอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องนะพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องได้เมื่อก่อนไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆเพราะกลัวจะตกออกจากโลกไป พอคิดว่าโลกนี้เป็นเหมือนโต๊ะถ้านั่งเรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอไปถึงขอบโต๊ะก็จะตกออกไปก็เลยไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆแต่ต่อมาก็มีคนเชื่อว่าโลกนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่แบนแต่โลกนี้กลมให้นั่งเรือไปเท่าไหร่ก็จะไม่ตกออกจากโลกไปแต่จะวนกลับมาที่เดิมได้นึ่งในที่สุดก็มีคนพิสูจน์ เขาก็นั่งเรือมุ่งไปทางทิศตะวันตกโดยที่ไม่กลับมาทางทิศตะวันออกนั่งไปเรื่อยๆต่อมาเรือก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะก็แสดงว่าโลกนี้กลมนั่นเองแล้วเมื่อเรารู้ว่าโลกกลมแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตได้มากมายคนก็สามารถที่จะออกไปไกลในทะเลแล้วก็ไปพบดินแดนใหม่ แล้วก็มีการไปตั้งรกรากแล้วก็เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะความเห็นที่ถูกตั้งนี้เองเห็นว่าโลกนม่กลมฉันใดผู้ที่มีความเห็นถูกต้องอย่างพ่อพุทธเจ้าก็จะสามารถทำตนให้ไปสวรรค์ได้ทำตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ตนไปสวรรค์หรือให้หลุดพ้นจากการเงียนว่าตายเกิดได้เพราะในใจของพวกเราทุกคนนี้มีความหลงอยู่มากและความหลงนี้จะทำให้เราไปทำบาปกันเพราะเราไม่คิดว่าทำแล้วจะมีผลเสียหายตามมานั่นเอง พวกเราจรึงต้องไปตกนรกกันอยู่เรื่อยๆไปเกิดในอบายกันอยู่เรื่อยๆเพราะความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองแต่ตอนนี้เรามีความเห็นที่ถูกต้องกันแล้วเพราะเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงบุญมีจริงการเวิยนว่ายตายเกิดมีจริงและเกิดจากความโลภความโกรธความหลงดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปนรก เราก็อย่าไปทำบาปถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ทำบุญถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำลายความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปพอเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะคิดทำบุญไม่คิดทำบาปคิดละความโลภความโกรธความหลงก็จะทำให้เรา มีการกระทำที่ถูกต้องคืออย่างวันนี้เราก็มาถือศีลกันไม่ว่าเรามีความการกระทำที่ถูกต้องเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการลักทรัพย์นี่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องและการพูดที่ถูกต้องก็คือเราจะไม่พูดคำ เท็ตนั่นเองจะพูดแต่ความจริงจะไม่พูดคำายาวจะพูดคำสุภาพจะไม่พูดเพ้อเจ้อเกิดจะพูดแต่สิ่งที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์และจะไม่พูดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามัคคีทะเลาะวิวาทกันนี่คือคำพูดที่ดีคำพูดที่ถูกต้อง ก็จะทำให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนอาชีพเราก็จะมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นถ้าเราเคยทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ควรที่จะเลิกเช่นยิง น, นกตกปลาค่าขาย สิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นเช่นสุรายาเมาหรืออาวุธต่างๆเพราะอาวุธนี้สามารถเอาไปฆ่าผู้อื่นได้หรือสิ่งที่เอามาใช้ดักสัตว์เช่นกับดักสัตว์ต่างๆหรือสิ่งที่ไปทำลายสัตว์เป็นปืนผาหน้าไม้อย่างนี้เป็นต้นและไม่ควรที่จะมีอาชีพ ที่ต้องค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเช่นค้าขายเป็ดไก่ตัวควายเพราะเมื่อขายไปแล้วเขาก็จะเอาไปฆ่านั่นเองนี่คืออาชีพที่เราไม่ควรจะทำเพราะทําไปแล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วความเดือดร้อนนั้นมันก็จะกลับมาหาเราอี ก, อกทีหนึ่งต่อไป นี่คือการมีอาชีพที่ถูกต้องต้องมีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลค้าขายอย่างอื่นก็ได้ขายเสื้อผ้าขายอาหารอย่างนี้ได้แต่อาหารที่เราขายนี้เราต้องไม่ฆ่าสัตว์ที่เรามาทําเป็นอาหารแต่เราสามารถซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาทําเป็นอาหารได้ อย่างนี้ไม่บากไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าและเราไม่ได้เป็นผู้สั่งให้เขาฆ่าแต่ถ้าเราไปสั่งที่ตลาดว่าพรุ่งนี้ขอไก่สามตัวอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าอยากจะซื้อเนื้อไก่ก็ไปที่ตลาดถ้ามีเนื้อไก่ที่ตายแล้วก็ซื้อมาทำอาหารได้เพราะเนื้อไก่นั้นเราจะซื้อมาหรือไม่ซื้อมามันก็ตายอยู่ดี ถ้าไม่มีใครซื้อก็ก็ เ, เอาไปกินหรือเขาเอาไปแจกให้คนอื่นอยู่ดีนั่นเองดังนั้นการที่เราทำอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี่ไม่บาป ก, การกินอาหารของเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่บาปเช่นเดียวกันการกินผักโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้เป็นบุญมากกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเพราะมันไม่ได้เป็นการกระทํา บุญหรือการทำบาป ก, การกินผักก็ไม่ได้เป็นบุญอย่างใดถ้าเป็นบุญพวกวัวควายเขาก็ต้องได้บุญกันมากอยู่แล้วเพราะวัวควายนี้เขาแค่กินแต่ผักอย่างเดียวเขากินแต่หญ้าเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่อย่างใดแต่ทำไมเขาไม่ได้ไม่ได้บุญเพราะมันไม่ใช่บุญนั่นเองบุญนี้ต้องเกิดจากการทําทานอย่างวันนี้ญาติโยม นำกับข้าวกับปลาอาหารของขา้าวของหวานมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นบุญถ้าให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นก็เป็นบาปเช่นเราไปฆ่าเขาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเรื่องการรับประทานมังสวิรัติหรือไม่จึงไม่ใช่เป็นตัวบุญแต่อย่างใดอย่าไปหลงผิด บางคนกินมังสวิรัติแต่ก็ยังตบยุงอยู่ยังฆ่ามดอยู่อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้อย่าไปตบยุงอยา่าไปฆ่ามดดีกว่าแล้วกินเนื้อสัตว์ที่ตายที่ก็มีขายตามตลาดอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาอย่างไรดังนั้นขอให้เราเลือกอาชีพที่ไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเพราะจะทำให้ชีวิตของเรานี้ไม่มัวหมอง จะทำให้เชะละชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าแล้วท่านต่อมาท่านก็ทรงสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องคือความขยันนี่ก็มีทั้งถูกและผิดขยันเที่ยวขยันกินเหล้าอย่างนี้เรียกว่าผิดต้องขยันทําความดีขยันละบาปขยันรักษาความดีที่เราได้ทําไว้แล้วให้มีอยู่ต่อไปให้เราขยันป้องกัน บาปหรือการกระทำไม่ดีที่เราเลิกแล้วไม่ให้กลับมาอีกเช่นเราเคยเลิกกินเหล้าได้แล้วก็อยากกลับไปกินเหล้าอีกเราเคยเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แล้วก็อยากกลับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกคือให้ทำแต่ความดีให้ละบาปให้พยายามทำอย่างนี้ไปไเรื่อยๆแล้วใจของเราจะสะอาดขึ้นจะ ดีขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงนี่คือความเพียรที่ถูกต้องความขยันที่ถูกต้องแล้วขั้นต่อมาท่านก็สอนให้เรามีสติที่ถูกต้อง <c oughs> คือให้เราระลึกอยู่ในปัจจุบันนี้เดิมใจของเราอย่าให้ลอยไปนะลอยมาอย่าไปคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรืออย่าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น นอกจากจำเป็นที่จะต้องวางแผนเท่านั้นหรือคิดถ้าจะคิดในเรื่องของอนาคตก็ต้องคิดถึงความเป็นจริงเช่นคิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าคิดอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ขณะที่คิดก็ต้องหยุดทำสิ่งต่างๆถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็อยากคิดให้เรามีสติให้เรารู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ เพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเราจำเป็นจะต้องคิดก็ขอให้เรานั่งเฉยๆอย่าทําอะไรหรือฟังธรรมะอย่างตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาฟังธรรมะก็อย่าไปทําอะไรให้นั่งเฉยๆตั้งใจฟังถ้าจะคิดก็ให้นั่งเฉยๆตั้งใจคิดแต่ถ้าเวลาเราทํางานอย่าไปคิดอะไรนอกจากเรื่องที่เรากาลังทาอยู่กาลังทากับข้าวก็ให้อยู่กับการทากับข้าว กำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินอย่าจะส่งใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าอย่างนี้เรียกว่ามีสติคือดึงใจไว้ให้อยู่กับตัวได้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราสามารถดึงใจไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้เวลาที่เราจะนั่งทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็ว สาเหตุที่พวกเราทุกคนนี้นั่งทำสมาธิกันไม่ได้ก็เพราะว่านั่งพุโทโธพุธโทโธไปได้สองสามคำก็ไปละไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอย่างนี้นั่งไปเป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบแต่ถ้ามีสติให้ใจอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องภายในห้าทีห้านาทีนี้ก็รวมได้เก็บลวมลนได้คนที่เขามีสติมากๆนี้เขานั่งกำหนด ครับเดียวก็เข้าสู่ความสงบได้เลยเพราะสามารถหยุดความคิดของใจได้นั่นเองความสงบหรือสมาธินี่ก็คือความหยุดคิดของใจนี้เองไม่ใช่อะไรนี่ก็เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำคือเป็นสมาธิแต่สมาธิที่จะถูกต้องก็มีสมาธิที่ไม่ถูกต้องก็มีมีสองแบบสมาธิที่ถูกต้องก็คือเวลาจิตสงบแล้ว จะนิ่งอยู่เฉยๆจะไม่มีไปรับรู้เรื่องอื่นแต่ถ้าจิตที่สง บ, บแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นเปรตเห็นผีอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าจะไม่ทำใจให้มีกำลังนั่นเองเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปเวลานอนหลับฝันไปกับเวลานอนหลับไม่ฝันนี้ ผลมีความแตกต่างเวลาตื่นขึ้นมานี้ถ้านอนหลับเดินขึ้นมานี้จะรู้สึกเหนื่อยนอนหลับฝันไปแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยโดยเฉพาะถ้าไปฝันไม่ดีฝันร้ายเข้าแต่ถ้านอนหลับแล้วไม่ฝันเลยนี้เวลาตื่นขึ้นมาจะมีความรู้สึกสดชื่นมีกําลังที่จะไปทํากิจการต่างๆต่อไปได้งานปฏิบัติธรรมก็เช่นกันนอกจากสมาธิแล้วเรายัางต้อง ออกไปปฏิบัติธรรมสุคือพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องถ้าใจเราไม่สงบแล้วแต่ไม่นิ่งออกไปแล้วรู้เรื่องราวต่างๆพอออกจากสมาธิอย่างนั้นก็จะไม่มีกําลังที่จะไปเจริญวิปัสสนาไปเจริญปัญญาเพราะกิเลสจะมาฉุดลากให้ไปคิดเรื่องอื่น ท, ทันทีพอออกจากสมาธิมาปั๊บก็หิวแล้ว กิเลสก็บอกไปหาอะไรกินไปหาอะไรดื่มหรืออยากจะดูอยากจะฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่ถ้าออกมาจากสมาธิที่จิตนิ่งเฉยเฉยไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆสักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างอยู่กับความสุขเป็นอุบเบกขาพอออกมาใจก็ยังจะเป็นอุบเบกขาอยู่ยังจะไม่มีความรู้สึกโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปดื่ม เดิมเลือกไปรับประทานอะไรเพราะใจมีความอิ่มมีความสุขนั่นเองเวลานั้นเราควรที่จะเอาใจนี้มาพิจารณาจเจริญปัญญาเพื่อให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังไม่อยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่อยู่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นี่ก็เปลี่ยนแปลงมาทุกทุกวันทุกเวลานาทีเมื่อออกมาจากท้องแม่ก็มีรูปร่างอย่างหนึง่งพอหปีก็มีรูปร่างอีกอย่างหนึง่งพอ10ปีก็มีรูปร่างอีกอย่างหนึง่งอย่างพวกเราเนี่ยถ่ายรูปเราไว้ในวันนี้ดูแล้วเก็บไว้อีก10ปีมาดูว่าหน้าตาของเราในวันนี้กับอีกปีข้างหน้าจะเหมือนกันหรือไม่ มันไม่เหมือนหรอกเพราะว่ามันมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็แก่ลงไปเรื่อยๆหนังก็จะเหี่ยวลงไปผมก็จะหงอกศีรษะก็จะเล้านบางคนผมก็ร่วงแล้วต่อไปก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคต่างๆโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งมามลุมเราแล้วในที่สุดก็ต้องตายไป แล้วก็ต้องไปอยู่ในเมรุอยู่ในโรงเอาขึ้นเมรุจุดไฟเผาจนกลายเป็นที่เท่าที่ถ่านไปนี่คืออ น, นิจจังความไม่เที่ยงของร่างกายที่พวกเราทุกคนต้องควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อจะทําให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้และปรองได้วางได้แล้วเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นเพียงดินน้ำลนไฟมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถ้าเราไม่รับประทานอาหารร่างกายนี้จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้หรือไม่ออกจากท้องแม่แล้วให้แต่หายใจอย่างเดียวไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องกินข้าวร่างกายมันจะโตขึ้นมาได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องสู้้อมและตายไปในที่สุดแต่เนื่องจากเราเอาอาหารเข้าไปอยู่ตลอดเวลา เอาน้ำเข้าไปเอาลมเข้าไปเอาดินเข้าไปเอาไฟเข้าไปร่างกายมันก็เลยจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาแต่ความจริงมันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟนั่นเองมันไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราก็คือใจนี้ต่างหากที่มาครอบครองร่างกายนี้เราต้องรู้จักแยกแยะ ก, ก, กายให้ออกจากใจแล้วอย่าไปหลงยึดติดกับร่างกายเพราะถ้าเราหลงยึดติดแล้วเราจะทุกข์ใจมาก เวลาร่างกายเป็นอะไรนี่เราจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับเวลาร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่เดือดร้อนยกเว้นว่าเราไปยึดติดกับร่างกายของคนอื่นเช่นถ้าเราชอบใครรักใครเราก็จะไปยึดติดกับร่างกายของเขาพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็เดือดร้อนไปกับเขาด้วย นี่เป็นเพราะว่าเราไปยึดไปติดไปหลงไปรักไปชอบเขานั่นเองฉันใดร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายของเราเพราะเราหลงรักเราชอบร่างกายของเราเรายึดติดกับร่างกายของเราหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเขาของเรามันเป็นของธรรมชาติของดินน้ําเำลนไฟ มาจากดินน้าลมไฟแล้วก็จะต้องกลับไปสู่ดินน้าลมไฟสักวันนั้นให้สอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะปล่อยวางละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ละความอยากให้ร่างกายเป็นต่างๆได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปนี่เรียกว่าวิปัจนาเรียกว่าการบรรลุธรรมบรรลุที่ตรงนี้บรรลุด้วยการเห็นายรัก เห็นอ น, นิจจังทุกขังมณตาเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใจของเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากขั้นโสดาก็จะเป็นสกิทาคามีอาณาคามีและเป็นพระอรหันต์ในที่สุดหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดเมื่อเราเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปเหมือนกินข้าวอิ่แล้วก็ไม่ต้องกินอีกต่อไป อาจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเองเพื่อดูแลรักษาชีวิตร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายร่างกายก็ยังต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารก็กินไปแต่ไม่ยึดติดถ้าไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องตายก็ไม่เดือดร้อนแต่เมื่อยังอยู่ก็ดูแลรักษามันไปเพราะร่างกายนี้ยังเอามาทำประโยชน์ได้ เช่นพระพุทธเจ้าก็เอาร่างกายของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนสอนโลกถ้าพระพุทธเจ้าไม่ดูแลรักษาร่างกายไม่กินข้าวไม่ออกกำลังกายท่านก็จะอยู่ได้ไม่กี่เดือนกี่วันแล้วท่านก็ต้องตายจากพวกเราไปแต่ท่านก็ยังดูแลรักษาร่างกายของท่านต่อไปแต่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับมันมันจะอยู่จะตายจะเป็นจ ะ, จะดีจะชั่วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันนี่คือ การมาทำชีวิตจิตใจของเราให้ประเสริฐในวันพระนี้ด้วยการปฏิบัติตามมรรคที่มีองค์8ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้คือ 1. ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 2. ให้มีความคิดที่ถูกต้อง 3. ให้มีการกระทำที่ถูกต้อง 4. ให้มีการพูดที่ถูกต้อง 5. ให้มีอาชีพที่ถูกต้อง 6. ให้มีความขยันหมัน่นเพียรที่ถูกต้อง เจ็ดให้มีสติที่ถูกต้องและแปดให้มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง8ประการนี้แล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานและความประเสริฐเลิศโลกก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตของเราให้ประเสริฐให้ดีขึ้นนี้ให้ท่านได้นําำอาไป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 ด้วยอายุวันลสุขภาะโดยทั่วหน้ากันเธอ